เอางั้นแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงแนะนําหรือแสดงธรรมเพื่อตัดขาดชาติชราพยาธิและมรณะล่ะอันนี้ก็มีเหตุผลที่พระองค์ชี้ชวนเนี่ยนะพระองค์ชี้ชวนเนี่ยชี้ชวนให้พ้นจากชาติชรามรณะเป็นต้นเนี่ยนะก็มีเหตุผลนะเหตุผลที่ว่าคืออะไรเหตุผลที่ว่าชาติพิทุขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เนี่ยนะ มันชื่นชื่อว่าการเกิดนี่มันเป็นทุกข์จริงๆอันนี้พระองค์จึงชี้ชวนชี้ชวนคําว่าชี้ไม่ใช่ชี้แต่มือนิ้วเอาแต่นิ้วมาชี้นะแต่ไม่ชี้ให้ชี้บอกให้เจริญอริยมรรคเพราะอริยมรรคนั่นแหละเป็นตัวที่ทําให้พ้นจากความเกิดแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เนี่นะเอา้าวทุกข์ยังไงฉลองวันเกิดเลยอยากถึงวันเกิดจังเลยจะได้ฉลองวันเกิดคนจะได้เอาของขวัญมาฝากบางคนก็มีความสุขนะมันเกิดนี่เขามีความสุขมากอนะ เพราะว่าคนจะเริ่มมารู้จักเห็นใจตัวบ้างก็เมื่อวันถึงวันเกิดนี่แหละว่างั้นถ้าวันเกิดนี่แหละเป็นวันสบายว่างั้นเอ้าความเกิดเป็นทุกข์อย่างไรถ้าคนคิดแบบคนทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นแต่คําว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เนี่ยนะถ้าเกิดในนรกจะมีความสุขไหมดังนั้นคําว่าเกิดเป็นทุกข์นั้นหมายถึงเกิดในนรกเนี่ยมันก็ทุกข์ถ้าไม่เกิดสัอย่างเดียวความทุกข์ในนรกจะมีไหม มีถ้าไม่เกิดในพวกเปรตทั้งหลายเนี่ยนะความทุกข์ของเปรตทุกชนิดจะมีไหมความทุกข์เหล่านั้นก็ไม่มีถ้าไม่เกิดเป็นเดรัจฉานทั้งหลายทุกข์ของหมูเดรัจฉานจะมีไหมก็ไม่มีถ้าไม่เกิดเนี่ยนะในกําเนิดเกิดในครันเกิดในไข่ถ้าอย่างมนุษย์ทั้งหลายถ้าหากว่าถ้าเราไม่เกิดในแม่ที่มีเอตเราจะทุกข์ไหมถ้าไม่เกิดจะพิการไหมถ้าไม่เกิดจะเดือดร้อนอย่างนี้ไหมเป็นต้นเพราะนั้นความเกิดนั้นจึงเป็น เป็นทุกข์เนี่ยนะเพราะความเกิดเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดทุกข์มันปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยเหมือนกับบอกว่าปฏิสนธิวิญญาณที่ยังลงเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนหอก300อันทิ่มต่อวันนะตือนเช้ามาก็ทิ่ม300กลางวันก็ทิ่มอีกส0มเย็นอีกก็ทิ่มอีกส0มทิ่มวันละ3 0 0รหอกเพราะว่าความเกิดนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะความเกิดเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดทุกข์เนี่ยนะถ้าไม่เกิดนี่จะถูกฉีดยาไหมเนี่ยนี่หอก น, หน้อยๆก่อน ถูกทิมด้วยห อ, อก น, น้อยๆก่อนนะถ้าห อ, อกตโตแล้วถ้าโตกับเข็มเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะถ้ามันปริมาณโตเท่าใดอย่างพระเทวทัพเนี่ยถูกห อ, อกเท่าลำตาเนี่ยนะทิมอยู่อยังไงก็ตั้งแต่ห อ, อก น, น้อยๆอย่ามาห อ, อกยา ใ, ใหญ่เป็นต้นนะเพราะความเกิดนี่แหละจึงเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดทุกข์ถ้าไม่เกิดจะทุกข์เหล่านั้นไหมเพราะความเกิดจึงถือว่าจุดเริ่มต้นก่อกําเนิดของความทุกข์ทั้งมวลอย่างทุกข์ที่จะกล่าวต่อไปข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีการเกิด จะมีทุกเหล่านั้นไหมก็ไม่มีหรอกเนี่ยนะนะแม้ความแก่ก็เป็นทุกเนี่ยนะนะต้องให้ตัวแทนออกมาแสดงความเห็นว่ามันทุกยังไงบางคนชราบ้างง้นนะแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยบอกแม่พออายุมากขึ้นเนี่ยแม้ความเปลี่ยนแปลงทำไมเห็นชัดแท้คำว่างั้นเริ่มมีปัญหาตั้งอาตาตั้งกับหู ตั้งจมูกเครื่องหายใจเรื่องปากเรื่องฟันเรื่องคอเรื่องศีรษะเรื่องผมเรื่องนวดเรื่องอ๊ย้ยต่างจับตรงไห น, นมันก็ทุกไปหมดแหละน่ะนะเพราะฉะนั้นความแก่ก็เป็นทุกถ้าไม่แก่มันจะทุกแบบนี้ไหมบางท่านก็บอกแหม่ถ้าอย่างนี้เมื่อสักสี่ห้าสิบปีที่แล้วนะบอกพูดอะไรป่านนี้แล้ววนะ่างั้นน่ะมันค่าแล้วนี่ถ้าเวลานี้หกโมงเช้านะอุย้ยนี่มันจะทุ่มแล้ววนะ่างั้น มันคนละเวลากันแล้วนั่นฉันใดเวลามันก็เป็นอย่างนั้นแนแหละพราะความแก่ก็เป็นทุกข์ถ้าไม่แก่จะทุกข์ไหมแต่ถ้าไม่เกิดจะแก่หรือเนี่ยนะแม้ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์เนี่ยนะอย่างตอนที่สุขภาพดีๆเนี่ยนะถึงจะแก่บ้างก็พอจําทนใช่ไหมถึงจะแก่ก็ยังพอไปไหนมาไหนได้พอโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนนี่เสียเริ่มเดือดร้อนแล้วนะอย่างคนที่เป็นโรคตาเนี่ยนะตาก็มีปัญหาโรค อะไรโรคตาถ้าเป็นโรคหูโรคจมูกโรคปากโรคฟันโรคลําคอโรคอะนะตรงไหนมั่งไม่มีโรคถ้าส่วนเหล่านั้นเหล่านั้นเป็นโรคอะไรจะเกิดขึ้นนั้นความความเจ็บป่วยนั้นจึงเป็นทุกข์เนี่ยนะขนาดว่ายังไม่ต้องอายุมากอะไรถึงอายุน้อยเนี่ยถ้าเกิดเจ็บป่วยได้เข้ามาแล้วนี่ก็อย่างนีนะ้ก่อนไปเห็นคนไข้คนหนึ่งนั่งรถเข็นเนี่ยนะปากซีดเลยนะโอ้ วันก่อนนี่คงใสจะยิ้มมากไปนหน่อยม่างา น, น, นแต่ก็สรุปว่าถ้าขึ้นชื่อว่าความเจ็บป่วยแล้วเป็นที่ตั้งแห่งทุกเนี่ยนะมันทุกตามมาอีกหลายประการด้วยกันนะขึ้นชื่อว่าความเจ็บป่วยแล้วถ้าป่วยเรื้อรังด้วยเอาักเป็นป่วยที่รักษาชนิดรักษาไม่หายด้วยความทุกขสารพัด ท, ทุกก็จะตามมาอีกมากมายเฉะนั้นความเจ็บป่วยก็เป็นทุกถามว่าความตายล่ะ เป็นทุกข์ไหมบอกทุกข์แน่นอนสําหรับคนที่มีบาปติดตัวด้วยแล้วเนี่ยแม่ไอ้ขึ้นชื่อว่าความตายเนี่ยมันทุกข์ถามว่าทําไมจึงเป็นทุกข์ก็เพราะว่าจากโลกนี้แล้วจะไปไหนหนอจะไปไหนหนอไม่แน่ใจเลยไม่มั่นใจเลยอันนี้สําหรับคนที่เรียกว่าทําอาคุศลไว้มากมายสําหรับคนที่ทําบุญไว้มากล่ะก็ทุกข์เหมือนกันนะทุกข์ยังไงทุกข์เพราะต้องพลัดพรากจาก สิ่งอันเป็นที่รักเนี่ยนะพลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักหลายท่านเขาเสียใจบอกว่าถ้าเขาตายแล้วเขาจะได้บูชาพระพุทธเจ้าหรือถ้าเขาตายไปแล้วเขาจะได้ <iani S 1> บ bon ูชาพระธรรมหรือ <Rhett>. ถ้าก็อานะเขกูเราต้องจากคนดีๆอย่างนี้อีกแล้วนะอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นบางคนก็ทุกข์เพราะอะไรเพราะต้องพลาดพลาดจากคนดีทั้งหลายพลาดพลาดจากโภกสมบัติเป็นต้นเพราะฉะนั้นความตายจึงเป็นทุกข์แล้วความโศกก็เป็นทุกข์อันนี้ทุกแพ้นะ่ย เครียดเนี่ยนะถามว่ามีความสุขไหมยิ้มก็ยิ้มไม่ออกโอยทุกข์แม้ความนะปริเทวะคือความพิยรรำพันก็เป็นทุกข์เยนะแม้ความเจ็บปวดทางร่างกายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเสียใจก็เป็นทุกข์เยนะความเจ็บใจก็เป็นทุกข์แม้ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ไหมมันอึดอัดบอกไม่ถูกเลยนะมันคับแคบอะไรนะคับแคบยิ่งกว่าคับแคบ มันเหมือนกับไรถูกกดถูกบีบนะนะ ส, สภาพจิตใจเหล่านี้จะสุขได้หรือมันก็เป็นทุกข์นั่นแหละแม้แต่ประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ น, นันะเพราะขึ้นชื่อว่าคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยขึ้นชื่อว่ามีตาเราจะได้เห็นแต่ภาพสวยๆตลอดไปหรือ ถ้าเรามีหูจะได้ฟังแต่เสียงที่เราพอใจตลอดไปหรือมีจมูกจะได้รับแต่กลิ่นที่น่าชื่นใจตลอดไปหรือถ้ามีลิ้นจะได้รับแต่รสที่อร่อยอร่อยที่ตัวเองต้องการตลอดไปอยู่หรือถ้ามีร่างกายจะมีแต่โพธิภาพที่น่าชื่นใจไม่มีความเจ็บปวดเลยหรือถ้ามีใจรับรู้แต่เรื่องราวที่หวานชื่นตลอดไปใช่ไหมบอกไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมีเล็กน้อย แต่ที่แท้แล้วที่เสียหายเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนมีมากกว่าเพรา ะ, ะการประจบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เนี่ยนะเพราะในโลกนี้คนเป็นที่รักกับคนไม่เป็นที่รักไหนมากกว่ากันนะก็นั้นก็จะทุกข์ขนาดไหนในชะแม้มารดาตายก็เป็นทุกข์เนี่ยนะบาลูกบางคนเพราะแม่ตายนี่ยเขาบอกว่าเป็นบ้าไปเลยก็มีพระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่าแม้ในเมืองสาวัตถีนี่แล้ว น, นะ ลูกบางคนเนี่ยพอแม่ตายเท่านั้นแหละเป็นบ้าเลยลูกบางคนเท่า น, นั้นพอบิดาตายก็เป็นบ้าไปเลยเนี่ยนะมันทุกข์มากจนเป็นบ้าอย่างเช่นนางปตาจาราเป็นต้นเนี่ยบ้าเลยนะแม้พี่น้องชายตายก็เป็นทุกข์เนี่ยนะก็แล้วแต่ระดับความทุกข์นะนะมึงก็ทุกข์นานแม้พี่น้องหญิงตายก็เป็นทุกข์แม้ลูกตายก็เป็นทุกข์เนี่ยนะบุตรนะอย่าง เคยเขามาเคยเห็นคนที่มีลูกชายตายเนี่ยนะโอ้ยร้องไห้ฟูมฟายร้องไห้แล้วร้องไห้ปีๆแล้วก็ยังไม่เลิกร้องไห้เนี่ยนะแอบเงียบไปร้องไห้อยู่คนเดียวปรงมาณนะั้เพราะแม้แต่พระยาตายก็เป็นทุกข์เนี่ยนะบางคนก็ทุกข์มากๆเลยนะก็เหมือนกับว่าชีวิตทั้งชีวิตเหมือนกับว่าทําเพื่อบางคนใช่ไหมพออีกคนตายไปแล้วแม่เริ่มจะบอกว่าทุกข์บอกไม่ถูกเลยไม่นานเนี่ยเขามีคนที่เขียนตัญหาประเภทเนี้ออกมาถาม เนี่ยเขาหมดกําลังใจหมดเรียวหมดเรียวหมดแรงหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับว่างัน้นไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปทําไมมันบางคนเนี่ยภริยาตายก็ทุกมากบางคนเนี่ยลูกน้องตายท่าตายก็ทุกมากเนี่ยงานเนี่ยแย่แล้วว่างัน้นคืองานบางงานเนี่ยมันต้องอาศัยคนทําใช่ไหมคนที่มีฝีมือความรู้ความสามารถเมื่อบุคคล น, นั้นจากไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแม้ญาติตายก็เป็น พุกเนี่ยนะเพราะคําว่าญาติลุงพี่ป้านะอาคนที่มีอุปการะคนที่เกือ้อกูลเรามากๆเนี่ยนะทเทระแทบขาดเขาเราก็แทบอยู่ไม่ได้เลยก็ทุกข์หรือไม่กระทั่งว่ามีความรักมีความผูกพันกันมากเท่าใดก็ทุกข์มากเท่านั้นถ้าไม่เกิดมาในโลกนี้ความทุกข์เหล่านี้จะมีไหมก็ไม่มีนั่นแหละเพราะฉะนั้นความพินาาแห่งญาติก็เป็นทุกข์เนี่ยนะเช่นญาติตายญาติต้องจากเป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นทุกข์แม้โรค ความพินาศพระโรคหมายคือว่าความเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์แม้ความพินาศแห่งทรัพย์สินก็เป็นทุกข์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีทรัพย์แล้วก็ทรัพย์พินาศเช่นดูเอาสตังหายแค่สักอะไรนะลืมกระเป๋าสตังค์ไว้ที่ไหนเนอะอย่างเงี้ยนะโหจิตใจเริ่มไม่ปกติแล้วนะแล้วแต่ว่าโภคะเหล่านั้นมันจะมากขนาดไหนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ทรัพย์มากเพราะเมื่อทรัพย์พินาศเสียทรัพย์หายทรัพย์เป็นต้นก็เป็นทุกข์แม้เสียศีนก็เป็นทุกข์ บางคนเนี่ยเสียศีลนี่ร้องให้เลยบางคนเนี่ยฆ่าตัวตายเลยเพราะว่าหมดเสียศีลเนี่ยนะก็คือท่านเสียศีลก็เป็นทุกข์แม้แต่เป็นมิจฉาทิฐิก็เป็นทุกข์นีนะจากคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิไปเป็นมิจฉาทิฐิก็เป็นทุกข์คนที่เป็นมิจฉาทิฐิพอมากลับเป็นสัมมาทิฐิก็เป็นทุกข์ทุกทั้งสองฝ่ายเลยจากสัมมาทิฐิกลายไปเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ทุกจากมิจฉาทิฐิมาเป็นสัมมาทิฐิก็เป็นทุก แม้ราชภัยก็เป็นทุกข์เนี่ยนะเช่นภัยที่เกิดจากพระราชาเป็นต้นเนี่ยนะภัยที่มาจากผู้ปกครองเนี่ยนะมมันทุกข์เนี่ยนะอย่างเขาบอกว่าคนระดับล่างๆไม่รู้สึกแต่ถ้าเป็นพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยถ้าผูกผู้คนที่สูงกว่าใหญ่กว่าคมหิง้งกดลงมาเนี่ยวอ้ยมันทุกข์บอกไม่ถูกนะงัแม้โจรภัยก็เป็นทุกข์เนี่ยนะมีทรัพย์ที่จะถูกเขาปล้นเขาโกงเขา ช่อเขาอะไรไปก็เป right ็นท right. ุกข์แม้แต่ว่าคนที่มีเวรก็เป็นทุกข์เนี่ยนะเวริภัยก็คือภัยของคนมีเวรนะถ้ามีเวรเนี่ยนะครับเรียกว่าเรียกว่าคนมีเวรไม่ต้องเวรมากแค่มองหน้ากันไม่ติดก็เริ่มทุกข์แล้วจนกันจนคู่ฆ่ากันคู่ทุจริตคู่คดคู่โกงคู่สารพัดเนี่ยมันแหมมันทุกข์มากเลยนะมันคนมีเวรก็เป็นทุกข์เนี่ยนะมาเจอหน้าคนมีเวรเนี่ยมันทุกข์ทุกทุกทุกทุกแท้มืนแม้ทุกข์กิษภัยก็เป็น ทุกเนี่ยนะข้าวยากหมากแพงอดอยากหิวโหยก็เป็นทุกเนี่ยนะไม่เชื่อลองอะไรนะมีสตังแต่ไม่มีร้านอาหารแม้แต่ร้านเดียวเนี่ยนะแล้วก็มีร้านอาหารเต้มไปหมดแต่ไม่มีสตังกับสตังก็ไม่มีร้านอาหารก็ไม่มีโอ้ยุกนะฮะตกเนี่ยถ้าเป็นภาษาเขมรแปลว่าวางนะีแม้อัคคีภัยก็เป็นทุกเนี่ยนะเขามาเคยเห็นบอกว่าบ้านถูกไฟไหม้แค่นั้นนะลมจับเลย ล้มจับเลยนะแบบว่าทรัพย์สินที่มันแบบอะไรนะเก็บของมีข่าวไว้ที่บ้านแล้วบ้านถูกไฟไหม้เลยอะไรจะเกิดขึ้นทุกมากเลยนะอักคีภยัยเช่นบ้านถูกไฟไหม้รถถูกไฟไหม้อะไรก็ตามขึ้นชื่อว่ามีทรัพย์สินแล้วทรัพย์สินถูกไฟไหม้เนี่ยนะมันทุกเลยนะแม้อุท ก, กภัยก็เป็นทุกอุท ก, กภัยก็คือภัยคือมาจากน้ําเนี่ยนะน้ำท่วมก็เป็นทุกเลยนะเพราะฉะนัะ้นอย่างเมื่อ ห ล, หลายวันที่ฟังข่าวมาบ่อยๆนี่จะรู้ว่าคนที่ถูกน้ําท่วมเนี่ยทุกแท้เพราะว่าบ้านก็ไปเลยญาติก็ตายไปอะไรก็จากไปเนี่ยไม่เหลือเลยบางคนเนี่ยทำมาตลอดสี่ห้าสิปีเพื่อจะมีเท่าเนี้เสร็จแล้วก็น้ํากวาดไปแทบเดียวหมดแล้วเนะไฟกวาดไปทีเดียวหมดแล้วโจรปล้นไปทีเดียวก็หมดแล้วเนี่ยนะหรู้ประสบอุบัติเหตุเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเสียหายศูนย์ไปหมดเลย แมอุมมิกกะไพก็เป็นทุกอันนี้หมายถึงว่าหลายท่านโอ้เห็นภัยมากมายในวัตตาแล้วก็มาบวชก็มาเจออุมมิกกะไพรไพคือคลื่นคลื่นคือความโกรธเนี่ยนะก็เลยมาบวชผบวชเข้าคนน้นสอนก็โกรธคนนี้แนะนําก็โกรธทั้งะอะความโกรธที่คนอื่นแนะนําก็เป็น ทุกมาว่าเราได้ยังไงมาแนะนําได้ยังไงมาสอนเราทําไมเรามันเป็นใครรู้สบ้างอะไรเป็นต้นเนนะี่ยนะพวกนี้ก็ทุกมากเพราะคนที่อายุมากมาบวชเนี่ยทุกเรียกว่าทุกเพราะภัยคือคลื่นคลื่นที่ไหนคลื่นที่ใจมันเป็นระลอกระลอกระลอกมาก็เดือดร้อนตุกเหมือนกันทุกเพราะอะไรทุกเพราะความโกรธเหมือนนเพราะความโกรธแล้วก็อาวัตภัยภัยคือวังน้ําบนก็เป็นทุกเนี่ยนะภัยคือน้ําวนเมื่อบวชขึ้นมาแล้วนึกอยากจะสร้างบ้านขึ้นมาจะทํำยังไงแค่นี้ นึกอยากจะมีครอบมีครัวขึ้นมาแล้วก็เดือดร้อนนี่เหมือนกันนะเริ่มทุกข์เรียกว่าอาวตัตภัยภัยคือวังน้ําบนวังน้ําบนก็คือไปเห็นว่าเออคนนั้นเขาช่างเพียบพร้อมเออบิ่มแหนะเขามีรถเขามีบ้านเขามีครอบมีครัวมีลูกเขามีความสุขแพ้แต่ทําไมเราทุกข์จังเลยอย่างเงี้นะพวกนี้ก็ทุกข์เพราะไหวภั ย, ยอภัออยที่มาจากน้าวนเพราะการมาคุณทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำวนเนี่ยนะมันสบายก็จริงนะลอยตามน้นําวนแต่มันจมลงเนี่ยนะ เสร็จแล้วก็ภัยที่เกิดจากานะภัยที่เกิดจากจระเข้เนี่ยนะกลุ่มพิลักกะภัยภัยที่มาจากจระเข้นี่หมายคือว่าบวชเข้ามาแล้วเป็นคนที่เห็นแก่ปากแก่ท้องมากอืออยากกินไปทุกเรื่องนะนะก็ทุกเพราะว่าความอยากนะเรียกว่าภัยจระเข้เนะภัยคือจระเข้มาความมันต้องการมันอยากมันไอ้นอนท์ก็อยากเลยนะโดยเฉพาะอะไรนึกถึงเมื่อก่อนบวชเข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะอู้ยตอนเย็นทานขับนั่งรถทาน เมืองผ่านบ้านก็นมันหิวนะนะตอนหลังมันหายแล้วทานให้แต่เห็นตอนหน้าก็ไม่นักใจเหมือนกันแต่ว่าพูดถึงว่ามันหิวจริงๆเลยนะสำหรับคนที่เคยทานยิ่งบวชเข้ามาใหม่ๆเนี่ยโอ้ยข้าวแห้งเลยอร่อยจริงๆเนี่ยนะบอกว่าจริงงข้าวแห้งอะไรก็ทานได้ขอให้มันเป็นอาหารเถอะนะมื้อเย็นนี่มันหิวหิวจริงโดยเฉพาะใครที่บวชตอนวัยรุ่นหน่อยเนี่ยนะวัยกินวัยนอนเนี่ยมนะมันหิวบอกไม่ถูกอ่ะ หรือว่าสุสุกาภัยภัยคือที่มาจากปลาร้ายคําว่าปลาร้ายนี่เป็นชื่อของมาตุคามเนี่ยนะก็เจอมาตุคามเขาก็เดือดร้อนแล้วเนี่ยนะไปเจอเค ร, รยียกอะไรนะหลับก็ฝันถึงตื่นก็ฝันถึงจะกรรมฐานไม่เป็นกรรมฐานและคล้ายๆกับพระแบบโบราณที่เรียกว่าไปเจอนางศิริมาเข้าเนี่ยข้าวบูดในบาทเป็นต้นอันนี้เรียกว่าภัยที่เกิดจากปลาร้ายแล้วต่อไปก็เรียกว่าอัตตานุวาตาภัยภัยคือการติเตียตติเียนตัวเองเนี่ยนะ สังเกตดูคนคนอันหนึ่งบางคนเนี่ยนะเป็นคนตำหนิตัวเองจริงๆนะหาเรื่องด่าตัวเองได้ทั้งวัน หาเรื่องบอกฉันก็เลวฉันมีความเลวดังต่อไปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเลวไปสารพัดเลวเลวทุกเรื่องขอให้เป็นเราทำมันเลวไปหมดเลยเนี่ยนะบางคนเนี่ยด่าตัวเองเก่งที่สุดเลยเนี่ยนะนไม่รู้นั่งด่าไปทำไมไม่รู้เป็นคู่เวรกันมาแต่ปางไหนไม่รู้คนอื่นก็ไม่ตีก็ตีแต่ตัวเองเนี่ยนะด่าตัวเองด่าแลว้วด่าเล่าว่าแล้วว่าเล่ า, ล า, ล า, า, ล า, ลาดูถูกดูมินดูแลนสารพัดเยียดย่ำตัวเองสุดแท้ที่จะทาได้ นะไม่รู้ว่าเป็นศัตรูปางไหนกันมาก็ไม่ทราบเนี่ยนะพยาบาทต่อไปนะฉันจะสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองให้ถึงที่สุดว่างั้นนะะเพราะฉะนั้นออ้ยมีแต่บน่นมีแต่ว่าตัวเองเพราะนั่งสิบนาทีตำหนิตัวเองไม่ได้ต่างหลายเรื่องเป็นต้นพวกนี้เรียกว่าภัยคือการติเตียนตัวเองหรือว่าปราโุวาถภัยเกิดมาถูกด่าตลอดอันนี้พวกนี้เกิดมาก็ถูกดา่าไปที่ไหนก็ถูกแต่เขาด่าเนี่ยบางคนนี่มันเป็นอย่างนั้นไม่รู้ทํากรรมอะไรมาไม่รู้ ถูกแต่เขาด่านี่มันทุกข์จริงๆเลยผนะัคนที่ถูกด่าเนี่ยหน้าชื่นตาบานยิ้มแป้รับเลยนะเชิญด่ามาเถิญนีไม่กี่คนหรอกนะบางคนเขายังไม่ทันด่าเลยคิดว่าเขาด่าแค่นั้นอนะ่ะร้องไห้แนละ้วถูกด่าแน่งานนี่นะน้ำตาซึมเลยนะบางคนก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าปรานุวาตภัยคำว่าด่ารวมทั้งคำำําตําหนิคําติเตียนคําดูถูกดูดูดูหมิ่นเหยียดย่ําเป็นต้นเนี่ยเรียกว่ า, าปรานุวาตภัยภัยที่เจอจากคนอื่นเขามาต่อว่าที่ที่ หลายๆเราเราจะได้ยินบ่อยๆถูกกลัวเขาว่ากลัวเขาว่าก็คือพวกปรานุวาทภัยเดี๋ยวเขาจะว่าเอาเดี๋ยวเขาจะว่าเขาไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เขาไหนก็ไม่ทราบกลัวจริงๆเลยกลัวเขาจะว่ามาเรียนธรรมะได้ไหมบอกไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าเอาเขาไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะจะทําอะไรสักอย่างกลัวแต่เขาจะว่ายังเอ๊ะเขาไหนอ่ะเขาไหนบอกไม่รู้เหมือนกันกลัวเขาจะว่าเอาแบบนั้นบางคนเนี่ยก็กลัวจริงๆเลยกลัวเขาว่าเอาอันนี้ก็เป็นภัยภัยนี้แปลว่าหน้ากลัวกลัวเขาว่า ทันตะใบไพคือการถูกลงโทษเนี่ยนะถูกลงโทษคิดง่ายๆก็ทันตกรรมนะทันดะตัวนี้อันเดียวกันถ้าเป็นสนัมเณีนก็กลัวจริงๆกลัวอาจารย์ลงโทษเหมือนกันกลัวทันดาเหลึกเดี๋ออาจารย์ให้ไปลงทันตกรรมเขามีลงทันตกรรมประเภทปัดนะเธอต้องกวาดวัดอย่างเดียวเขามีพระพิโสนี่ลงทันตกรรมสัมมณีได้ผู้ที่เป็นอาจารย์ก็จะลงโทษอ้าวเธอทําตัวแบบนี้นะไปขนทรายไปเกลี่ยทรายไปตักน้ําไปล้างส้วมอลไรก็ว่าไป เรียว่าทันตะไปภัยคือการถูกลงโทษแล้วก็นับตั้งแต่ลงโทษเล็กๆน้อยๆจนถึงลงโทษริบซัพย์ลงโทษประหารด้วยกลัวการลงโทษหรือภัยคือทุกขติภัยทุกขติหมายถึงว่าบางคนนี่กลัวภัยก็ต้องไปทําชั่วทุกคตินี่มีอยู่สองอย่างทุกคติการปฏิบัติกับทุกขติโดยพบทุคติโดยการปฏิบัติหมายถึงว่าทําทุกขติคือไปชั่วด้วยกายไปชั่วด้วย ว่าจะไปชั่วด้วยใจที่เรียกว่าทุกขติภัยนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกขติหมายถึงอบายทุกขติวินิบาศนรกคนถามว่าถ้าไม่เกิดความทุกข์เหล่านี้จะมีไหมนี่คือความทุกข์ที่มีอยู่ในวัตฏะเนี่ยนะซึ่งเราทุกคนก็ประสบมากันหมดแล้วละ แม้ปริสาสารชัยเนี่ยนะปริสาสารชัยก็คือภัยในยเกิดจากการขั้นครามในท่ามกลางบริษัทเข้าพวกไม่ได้เลยเนี่ยนะบางคนเข้าหมู่ไม่ได้เลยคเครียดเนี่ยนะเจอพักเจอพกูออกเรียว่าเข้าสมาคมไม่ได้เลยมันขั้นคร่ำมันกลัวมันหวาดเสียววางตัวไม่ถูกเรียกว่าหาที่เก็บมือไม่ถูกแล้ว่าจะเอามือไปวางไว้ตรงไหนเนี่จะยิ้มหรือจะร้องไห้หรือจะหัวเราะดีเรียก ว, ว่าวางหน้าก็ไม่ถูกวางตัวก็ไม่ถูก มันวุ่นวายไปหมดเลยนะี่คือเรียกว่าเหมือนกับอะไรเหมือนกับเอาสัตว์ในป่ามาไว้ในบ้านอย่างนั้นอ่ะมันพล่านไปอย่างนั้นบางคนนี่ยค้อเรียกว่ากลัวกลัวบริษัทกลัวสมาคมเนี่ยนะไม่ต้องการเข้าบริษัทเข้าสมาคมเข้าหาพักหาพวกเข้าไปหาใครมันกลัวไปหมดเลยกลัวกลัวคือว่าเจอคนจํานวนมากเมื่อไหร่ก็กลัวแหละก็เรียกว่าปริาสาสาลชภัยภัยที่เกิดจากความคลั่นคร้ามหวาดผวา เป็นคนขี้ผวาเนี่ยนะบางคนก็ผวาจริงๆเลยได้ยินเสียงใครสักคนนึงก็ผวาแล้วเป็นไก่ตื่นไปหมดเลยบางทีก็หมายความว่าอาชีวกับภัยภัยที่เกิดจากการเลี้ยงชีวิตเนี่ยนะภัยที่เลี้ยงชีวิตเพราะบางคนไม่ได้เลี้ยงชีวิตเดียวใช่ไหมต้องเลี้ยงสองชีวิต3มชีวิต4ีชีวิต5ชีวิตเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเป็นต้นเนี่ยไอ้ภัยที่เกิดจากปัญหาปากท้องนี่ก็ถือว่าปัญหาใหญ่มากเลยนะ ปัญหาจากการเลี้ยงทำมาหาเลี้ยงชีพไอ้แค่ให้ไม่ตายไปวันๆหนึ่งมันก็ไม่หนักเท่าไหร่แต่ที่หนักมากก็คือมันต้องไปทำแข่งกับคนอื่นด้วยบางคนเนี่ยทุกข์เพราะว่าจะต้องไปแข่งกับคนโน้นเนี่ยนะบางคนเนี่ยเรื่องอาหารก็ทุกข์เพราะอาหารว่าต้องกินให้มาระดับเท่ากับระดับคนนั้นที่นอนบ้านก็ต้องระดับคนโน้นรถก็ต้องระดับคนโน้นเสื้อผ้าก็ต้องระดับโน้นระดับโน้นมันก็เลยสแสวงหาก็ทุกร้อนเพราะอะไรเพราะการเลี้ยง ชีวิตนั่นแหละเลี้ยงชีวิตหนึ่งชีวิต2ชีวิตเพราะว่าชีวิตเนี่ยดำรงอยู่ด้วยปัจจัย4เป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องแสวงหาปัจจัยสี่เพื่อมาบำรุงบำรเรอปรนเปลชีวิตเนี่ยนะมันทุกข์เนี่ยนะทุกข์จนเงือท่วมเลยนะจมินิดเนาะต่อไปมรณะภัยก็เป็นทุกข์เนี่ยนะบางคนเนี่ยเป็นโรคกลัวตายนะีกลัวจริงๆริงทเรียกว่ามรณะภยัยกลัวตายตายแล้วไปไหนนาะเนี่ยนะีกลัวจริงๆเลยกลัวตายกลัวจนตายก็มีว่างั้นนะกลัวจนไปตายเร็วก็มีที่เรียกลัวตายจนตายว่างั้นนะ ก็เลย ร, ร่าภัยคือความกลัวตายแบบนั้นหรือแม้กระทั่งอันนี้ถามมว่าถ้าไปเกิดไปทําความชั่วเข้าไปทําความชั่วหรือทําตัวไม่ศพไม่ศบใจผู้ที่เราเขาสามารถลงโทษเราได้เกิดไปทําผิดทําพลาดเนี่ยนะกดมูอกฎหม้ก ด, ก ด, กดอะไรก็ช่างเถอะแต่สรุปว่าทําแล้วมันเกิดความผิดพลาดเขาก็เอาไปอะไรเอาไปตีด้วยหวายเป็นต้น น, นะครับแล้วก็ถูกหวดด้วยหวายหรือด้วยแซหรือถูกตีด้วยแซเนี่ยนะ โอ้ยถูกตีด้วยแสเนี่ยนะมักว่าแสหลุดเนี่ยพร้อมกับเสื้อผ้าหลุดด้วยเนื้อหลุดออกมาด้วยเลยนะหัวดเข้าไปสิบทีเนี่ยเรียกว่าหนังเนื้อเนี่ยแทบมาหลุดพร้อมกับแ่พร้อมกับวายนั่นแหละแม้ถูกตีด้วยไม้คอนก็เป็นทุกข์เนี่ยนะถูกตีด้วยคอ้อนเนี่ย ท, ทุบมือทุบเท้าเนะี่ยความคิดในสมัยเด็กๆเกนะี่ยเรียนหนังสือเราก็ดื้อหน่อยใช่ไหมครูก็เอาแปรงเนี่มาเอาบอกเอามือทําอย่างนี้มันเอาแปรงว่าโป๊กโอ้ยเจบ็บเลยนะ มันนี้แค่ไม้แปลงนะถ้าถามว่าทํามไม้หน้าสามจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยนะเจอคือคือเพราะอะไรเพราะทุกอย่างมันพร้อมที่จะเป็นอาวุธได้หมดนะมันก็ถามว่าถ้ากไปกระทบสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นอะ่ะมันจะทุกข์ขนาดไหนแม้การถูกตัดมือก็เป็นทุกข์เนี่ยนะถูกถูกตัดมือเนี่ยนะเช่นบางประเทศเนี่ยนะไปขโมยนี่ถูกตัดมือเลยนะ มันก็ถ้าถูกตัดมือแล้วกลายเป็นคนพิการเขาก็รู้แล้วว่ามันเป็นตราบาปติดตัวตลอดไปไอันนี้ขาดมือมือขาดมาแปลว่านิสัยโจรนั่นเองนะหรือว่าถูกการถูกตัดเท้าก็เป็นทุกข์เนี่ยนะไปไหนได้หรือแม้การถูกตัดทั้งมือทั้งเท้าด้วนทั้งมือทั้งเท้านี่จะทุกข์ขนาดไหนแม้การถูกตัดหูก็เป็นทุกข์ถูกตัดจมูกก็เป็นทุกข์ถูกตัดทั้งหูทั้งจมูกก็เป็นทุกข์รวต พิการไปหมดเลยเนยนะอย่างบางประเทศนี่เขาก็ทําแล้วก็ถ้าอย่างว่าถ้าเกิดมาในตระกูลตกต่ําเขาก็จับเอาไปตัดจมูกบ้างตัดหูบ้างเพราะต้องทําตัวให้หมันพิการจะได้ขอทานกินต่อไปได้พันธ์ก็เรียกเขาว่าถูกลงโทษติด ก, กรรมตามมาตั้งอดีตชาติตามมาเล่นงานถึงนั้งอยู่ในคันบกคลอดออกมาปั๊บแม่ก็เล่นงานแล้วก่อนเนี่ยนะันั้นคนที่เล่นงานก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วก็ผู้บังเกิดกล้าวนั่นแหละจับ ตัดหูตัดจมูกทําให้เนื้อตัวเนี่ยเน่าเละเทะเฟะไปหมดจนใครมองเห็นปั๊บต้องบริจาคให้เลยวะกนนะต้องควักสตังค์ให้ด้วยใจที่กรุณาวะกันมันก็ประทุสร้ายลูกมากหรือบางทีก็อย่างเกิดมาก็ถูกถลกหนังศีรษะเนี่ยนะอย่างถูกถลกหนังศีรษะเนี่ยอย่างโบราณเนี่ยก็กรีดหนังแล้วก็ถลกเหมือนกับสลกบาดนะเหมือนกับถอดอะไรสักอย่างนะถ้าเป็นพระพิสุฟังเข้าใจง่ายคือสลกบาทนะนะั่นแหละ นะบาดมันก็กลมๆเหมือนหัวเนี่ยนะเอาหนังออกมันก็เหมือนกับถลกบาดแต่ถ้าแปลตามที่อื่นไม่ใช่ถลกธรรมดาถลกเสร็จแล้วก็งัดกะโหลกมันงัดมะพร้าวกระที่ยงนั่นนะปั้งแล้วก็หยอดก้อนเหล็กแดงๆลงเข้าไปเนี่ยนะจะเรียกว่าที่เกิดจากถลกศรีรษะอย่งนะั้นนะถูกถกหัวหรือว่าถลกหนังทั้งตัวเนี่ยนะถลกหนังทั้งตัวบอกว่าแค่ไปเดินแหมไปคลุดถูกคลุดนิดๆหน่อยๆยังเจ็บปวดมากมายเลยนะ ถามว่าถ้าไปถูกถลกทั้งตัวจะเป็นยังไงนะเหมือนแม่โคหนังปอกเนี่ยนะหรือการถูกทําปากราหูรกว่างัดปากอ้าชุบน้ำมันใส่เข้าไปในปากแล้วก็จุดไฟเผาเนี่ยนะหรือว่ากรีดเนี่ยกรีดกรี ด, อ, ดอะไรนะกรีดในดาอะไรนะกระพุ้งแก้มเนี่ยกรีดเนี่ยนะแทบจะเอาขากันไกลงัดลงหมดเลยอย่างนี้นะเจ็บปวดมากะนะถ้าไม่เกิดจะทุกข์ไหมสังเกต ด, ดูบอกว่าโอ้เนี่ย มนุษย์นี่เราไม่ค่อยเห็นแต่ว่าพวกเดรชาเนี่ยจะถูกงัดประเภทอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะถูกงัดปากแล้วก็ปากฉีกไปหมดเลยบางทีเขางัดดึงเรียกว่าขาการไกลลงไปหาทองนะดึงออกไปเลยเนะกั บ, ก, บกับสัตว์บางประเภทเนี่ยเขาต้องถลกออกไปอย่างนั้นเนี่ยนะก็จะเหลือแต่ช่วงบนใช่ไแต่ช่วงช่วงปากไปแล้วจะไม่เหลือแล้วถูกดึงออกกระชาาออกไปหมดหรือภัยที่เกิดจากการอะไรนะ มาลายมาไลัยไฟก็คือเอามือเนี่ยไปพันชุบน้ามันจุดเนียนะหรือบางทีก็จุดทั้งตัวบางทีก็จุดแค่มือบางทีก็ถูกเรียกว่านุ่งนุ่งผ้าอ่านุ่งแกะเนี่ยนะเรียกว่าถลกหนังตั้งกระคออานะมาจนมาถลกหนังอนะ่านะถ้ถลกหนังจนถึงเนี่ยเราก็ให้วิ่งไปเนี่ยนะให้วิ่งเหยียบหนังตัวเองเหมือนเดินกระสอบอย่างเง้ยนะเหมือนวิ่งกระสอบอย่างเง้ยนะแล้วก็ จีระกวาสิกะเนี่ยนะก็นุ่งเปลือกปอหมายก็ว่าก็ทะลกหนังตั้งกับคอให้เป็นผ้านุน่งทะลกตั้งกับช่วงล่างไปให้แบบเดินเหยียบย่ําไปเนี่ยนะก็ถลกหนังหลายชั้น น, นะนะถ้านึกถึงกบเอากระละกันว่ามีการกระทําแบบนั้นอยู่ในโลกจริงๆหรือว่าเอไนยกะทําให้เป็นเนื้อซายก็คือให้คุกเขา่าคุกศอกเขา่าแล้วก็ตอกลงบนเหลาเหล็กเนี่ยนะเรียกว่าคุกเขา่าคุกอะไรเนี่ยนะก็ใส่ห่วงที่เขา่าห่วงห่วงที่ข้อศอกแล้วก็มัดตรึงเอาไว้เนี่ยนะ กแล้วก็จุดไฟลนข้างซ้ายข้างขว า, ข, าข้างหน้าข้างหลังก็เหมือนกับย่างสดนั่นแหละแม้กระทั่งตกเบ็ดเนี่ยนะตกเบ็ดหมายถึงว่าเอาเอาเบ็ดเนี่ยเกี่ยวแล้วก็กระชากเนียนะเอาเบ็ดเกี่ยวแล้วก็กระชากเบ็ดเกี่ยวแล้วก็กระชากเนื้อหนังเนี่ยหลุดเป็นชิ้นๆไปเลยเนี่ยนะหรือไม่แม้กระทั่งการทํากะหาปนาเขาเราียกว่าเถือนเฉือนเนื้อออกมาทีละชิน้นทีละชิน้นเอาไปทอดเนี่ยนะทอดแล้วก็มายัดใส่ปากตัวนั่นแหละนะอย่างเช่นพระนางอะไรมาคันธยานี่ยก็ ก็มีในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะก็ใช่ใครที่ไหนก็สามีสุดที่รักนั่นแหละสั่งเอาไปเชื่อดเนื้อทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็มายัดใส่ปากตัวเนี่ยนะหรือว่าคาระปตติกะก็คือรถด้วยแปลงแสบหมายคาะว่าสับฟันให้ตลอดทั้งตัวหมายค่ะว่าเอามาขูดขูดเหมือนขูดไรขูดมะพรา้าวนะขู ด, าาะนะขดตามให้มันเป็นริ้วๆแล้วก็ทาเกลือคล้ายๆแบบนั้นนะพวกเนี้แปลงแสบเรียกว่าจับทําตัวให้เป็นแผลแล้วก็ทาเกลือซะอะไร สัตว์บางตัวเนี่ยนะกัคนบางกลุ่มเนี่ยก็ทํากับปลาที่เป็นๆอย่างนั้นแหละกรีดเป็นๆเรียกว่าเป็นให้เป็นเป็นริ้วเป็นริ้วเป็นริ้วเป็นริ้วแล้วก็ทาเกลือนี่ก็ทาน้ํากรดบ้างทาอะไรบ้างก็ว่ากันไปเรียกว่าใช้แปรงแสบหรือราดด้วยน้ํามันน้ําแสบๆก็ได้ก็คือน้ํากรดเนี่ยนะเช่นว่าราดน้ํากรดล้างหน้าอย่างนั้นไม่ได้อน้ําธรรมดาล้างเอาน้ํากรดล้างหน้ามันจะเป็นยังไงก็แบบนี้ก็มีอยู่ไม่ใช่น้อย หรือว่าปลิกข้าปริวัติกะเรียกว่าตอกลิ่มให้นอนตะแคงหมายคือว่าให้นอนตะแคงเนี่ยเอาหัวตะแคงแล้วก็ตอกหูเลยนะตอกหูเรียกว่าจดแล้วก็ทําตัวเป็นนาฬิกามาเงินค่ะเอาทำตัวเป็นนาฬิกาเลยนะเป็นยืมตัวเป็นทํานาฬิกาหน่อยนะก็นอนตจับให้นอนนะแล้วก็หูตอกหูซ้ายทะลุหูขวาลงไปในดินแล้วก็จับขาเนี่ยหมุนรอบเนี่ยนะเรียกว่ายืมไปทําเป็นตัวนาฬิกาเป็นนาฬิกาหน่อยมาเงนิน หรือแม้การกระทำต่างฟางก็คือทุบจนกระดูกนี่แหลกละเอียดแล้วก็ทิ้งร่างอยู่เหมือนกับต่างฟางก็เรียกว่าทุบซะจนแบบแต่เนื้อไม่ตัวไม่ฉีกนะทุบจนกระดูกป่นหมดแล้วก็จับกองไว้อย่างนั้นน่ะเป็นเหมือนกับที่เบาะฟางนะเหมือนต่างฟางก็คือเบาะฟางนั่นแหละไม่มีกระดูกเลยอย่างนั้นน่ะหรือแต่ท่าที่เป็นไม่เท่าที่ได้ยินบ่อยๆก็บางคนก็ถูกตัดแบบเข้าโรงน้ำแข็งเ่ยนะโรงน้ำแข็งก็เห็นใบเรื่อยไหม หรือโรงไม้อะโรงไม้นะก็จับผา่าผ่าครึ่งตัวก็มี น, นะผ่าแบบท่อนๆๆก็มีอย่างที่ประเทศบางประเทศที่เขาทํากันเนี่ยนี่นะที่ที่คนทำก็ตายไปเรียบร้อยแล้วถูกระเบิดตายอันนี้ก็แบบเรียกว่าผ่าแบบผ่าไม้นะผ่าไม้หน้าสามผ่าอะไรก็ว่ากันไปหรือไม้ก็จับแบบปลาหมึกเคยเห็นปลาหมึกเขากรีดปลาหมึกนะเวลาขายปลาหมึกข้างาๆเห็นไหมเขาก็หมุนหมนหมุนมุนปลาหมึกก็ถูกรีดเนี่ยนะ บางคนก็ถูกรีดอย่างนั้นโดยเฉพาะเรื่องยุคสงครามด้วยแล้วเนี่ยถือสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติเนี่ยนะในการจับเฉลยศึกมาแล้วก็สัมภาษณ์เนี่ยนะสอบถามก็เล่นงานกันขนาดนี้หรือไม่ก็ให้สุนัขเนี่ยน ะ, ะราดน้ํามันเดือดๆก็ได้เนี่ยนะถูกราดด้วยน้ำมันเดือดๆก็อย่างที่มีคนเล่า ว, ว่าคนลมบ้าหมูคนหนึ่งไนงะกาลังทํากับข้าวกับข้าวกํากลังทอดน้ํามันเดือดๆอยู่เนี่ยแล้วก็ ทอดหน้าตัวเองเนี่ยนะพราลมมันชักขนาดนั้นก็เอาหน้าจุ่มเข้าไปในน้ํามันนะนะก็ไม่รู้เคยทอดสดอะไรมาขนาดไหนไม่ทราบหรือไม่ก็ถูกเสียบสุกเสียบบนหลาวนีก็เหมือนกับปลาหมึกอะไก็ได้นะปลาประดุกเสียบอย่างนั้นนะ่ะถูกเสียบไว้แบบนั้นนะ่ะเสียบก้นก็มีหรือไม่ก็ถูกศีรษะตัดเนี่ยนะตั ด, ตดนะถูกตัดหัวนะถูกตัดหัวถ้าอย่างประเทศแถวยุโรปเนี่ยใช่อะไรนะยุโรปใช่อะไรคีโยตินอ่ะนะ ก็ถูกตัดหัวฉับฉับฉับหรือไม่ก็ถูกแบบนี้ก็ใช้ดาบอย่างหรือไม่ก็จับมือไขว้หลังแล้วก็ยื่นหัวไปหน่อยแล้วก็ตัดอย่างนี้ก็มีก็มีหลายประเภท น, นสะสรุปว่าหัวขาดเพราะฉะนั้นขอถวายพระพรสัตว์ผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรย่อมเสเวยทุกมากมายหลายประการเห็นตานี้ผู้ที่เวียนไหวตายเกิดในสังสารทุกในวัฏทุกมันทุกขนาดเนี่ย ถามว่าผู้มีใจกรุณาเนี่ยอยากให้อยู่ต่อไปไหมอนนะอยากให้ลูกหลานหมายความว่าพราะองค์มองทุกคนเป็นเหมือนกับบุตรในไส้ของตนเนี่ยพระองค์ยินดีที่จะให้เขาไปประสบทุกอย่างนี้พบแล้วพบเล่าไหมเพราะเมื่อไม่ไม่เป็นอย่างนั้นพระองค์จึงแสดงธรรมเพื่อความพ้นจาก ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าน้าฝนที่ตกเหนือภูเขาหิมปพานย่อมไหลท่วมทับชะเอาก้อนหินก้อนกรวดไม้แห้งดินแข็งบ่อน้ำวนเกลียวคลื่นเขื่อนดินรากไม้และเก่งไม้ที่ขวางทางอยู่ไปสู่แม่น้าคงคาฉันใดขอถวายพระพรสัตว์ผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตถือเอาขันทาดอยตนะ ด้วยอํานาจกรรมวิบากกิเละย่อมเสวยทุกข์มากมายหลายประการเห็นปานี้เห็นปานชนนี้ฉันนั้นเหมือนกันถ้าเกิดขึ้นชื่อว่าความเกิดนะ่าดังที่เราเห็นว่าถ้าเก็บสถิติเรื่องของชีวิตความทุกข์จากแต่ละคนแต่ละคนที่เจ็บปวดทุกตรมานทั้งทางร่างกายจิตใจทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจที่เป็นทุกข์เนี่ยนะอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏทุกข์ เพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าความเป็นไปในวัตฏะเนี่ยเป็นทุกข์นับตั้งแต่ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ไอ้เป็นไปหลังเนี่ยเรียกป่าวัตะความเป็นไปที่เป็นไปตามชาติชรามรณาโซกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาตอย่างเงี้ยเป็นทุกข์ถ้าหากว่าพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพ้นจากโซกัปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตเรียกอัปปวัตะหรือความหยุดนี้เป็นสุขความเกิดจึงเป็นทุกข์ ความไม่เกิดจึงเป็นสุขความแก่มันเป็นทุกข์ความไม่แก่เป็นสุขความเจ็บป่วยเป็นทุกข์ความไม่เจ็บป่วยเป็นสุขความตายเป็นทุกข์ความไม่ตายเป็นสุขความโศกเป็นทุกข์ความไม่โศกเป็นสุขความทุกข์ก็เป็นทุกข์ความดับทุกข์เป็นสุขเนี่ยนะความเสียใจเป็นทุกข์ความไม่เสียใจดับความเสียใจเป็น สุขเนี่ย น, นะความคับแค้นใจเป็นทุกข์ความไม่คับแค้นใจเป็นสุขความเกิดขึ้นแห่งขันห้าเป็นทุกข์ความดับขันห้าเป็นสุขเนี่ย น, นะท่านพระองค์จึงแสดงเพื่อให้ประสบกับความสุขพ้นจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะแสดงคุณของนิวัตะคือนิโร ส, สัจจะกับมรรสัจจะความหยุดนั้นนิวตัตหรืออัปวัตตะหมายถึง แสดงถึงคุณของพระนิพพาน น, นะนะแสดงถึงคุณของพระนิพพานแสดงถึงคุณคืออริยมรรคที่ทําให้ตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยว่าเป็นสุขและก็แสดงพิษภัยทุกโทษของปวัตตะความเป็นไปความเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยนะบอกว่าไปเห็นน้ําทะเลแล้วคิดยังไงมีอยู่ครั้งหนึ่งไปนั่งอยู่ริมทะเลเมื่อ นั่งเห็นน้ำทะเลเนี่ยแล้วก็นึกถึงพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าเธอเนี่ยนะเสียเลือดเสียเลือดที่เกิดจากการถูกตัดหัวเนี่ยนะถูกตัดหัวในชาติต่างๆเนี่ยเลือดมากกว่าน้ำทะเลเช่นเกิดเป็นไก่แล้วก็ไก่ถูกเขาตัดคอแล้วเลือดไหลอย่างเงี้ยนะหรือว่าเกิดเป็นหมูถูกเขาเชือดคอแล้วก็เลือดไหล หรือว่าเกิดเป็นกระบือเป็นช้างเป็นอะไรถูกเขาเชื้อแล้วเลือดไหลเนี่ยเลือดที่หลั่งไหลถ้าสะสมทุกภพทุกชาติมากกว่าน้ําทะเลนะและอีกสูตรหนึ่งบอกว่าน้ําตาของเธอที่ร้องให้เนี่ยนะน้ําตาของเธอที่เสียใจเพราะแม่คนเดียวตายนะนะว่ามีแม่ชื่อว่าติดสาหรือแม่ชื่อว่าเทวีตายเนี่ยนะ แม่คนเดียวคนนี้น้ำตาม u c h กว่าน้ำทะเลแล้วในสังสารวัตที่มันยืดยาวนานแล้วกี่แม่มาแล้วน้ำทะเลในสมุทรทั้งสี่เจงมากกว่าน้ำตาของเธอทั้งหลายที่เสียใจเนี่ยนะเห็นหน้าใครแล้วเราบอกว่าเห็นหน้าใครจะทําใจไปเลยเราเคยร้องให้พระคนนี้น้ําตา ม, มาก h กับน้ําทะเลอันนั้นทำใจไปเลาเราจะต้องร้องให้เพราะจากแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมากกว่าน้ําทะเลเพราะว่าเป็นที่ตั้งแห่ง น้ำตาเนี่ยาา น, นะหลายคนที่รอเฉพาะดอกโศกมันบานง่ายบานเร็วเข้าเนี่ยนะพวกเนี้น้ําตาก็หยดแม่เนี่ยนะเก็บน้ําตาเธอไว้เนี่ยนะบางคนก็บอกเขาเห็นบ่อน้ําเขาบอกแค่ชาตินี้เขาก็ร้องร้องให้มากกับ น, น้ําตาในบ่อน้ํานี้แล้ ว, วกันท่านก็จะพวกเจ้าน้ําตาทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ความทุกข์เนี่ยนะมันขึ้นชื่อว่าผู้ที่เกิดมาก็เป็น ทุกน้ําตาที่ลังไหลน้ําตาโดยมากเกิดจากความเสียใจที่มันไหลออกมาเนี่ยนะอาบแก้มเนี่ยโดยมากเกิดจากความเสียใจน้อยนับที่น้ําตาอาบแก้มด้วยความปราบ ป, ปลื้มใจไม่มากเนี่ยนะนิดเดียวแต่ที่เหลือร้องให้ที่เกิดจากความเสีย อ, อกเสียใจซะส่วนใหญ่ทํามว่สะสมโทสะมาเท่าไหร่อ่ะถ้าร้องให้ทุกครั้งมันร้องให้ด้วยใจที่ชนิดประเภทโทสะถ้าสะสมโทสะไว้บ่อยๆไปไหนดี คติของโทสะไปสู่ที่ไหนก็ไปไม่ดีอยู่แล้วละ่ะทุกคติมันโทสะจึงเป็นทุกหรืออย่างหนึ่งบอกว่าพระองค์ตรัสว่าน้ํานมที่เธอดื่มกินเนี่ยมากกว่าน้ําทะเลมาหาสมุทรเพราะฉะนั้นถ้าเห็นน้ําทะเลเมื่อไหรคิดจะไปเที่ยวทะเลเมื่อไหร่จะไปดูน้ําตาจะไปดูน้ําเลือดที่สูญเสียไปจะไปดูน้ํานมที่ดื่มกินเนี่ยนะนใครจะไปเที่ยวทะเลก็จําไว้สามคำน้ําเลือดที่ดื่มมาเอิบเสียเลือด น, นะน้ำเหงื่อไม่ต้องพูดถึงอนะไม่นี้ไม่พูดถึงเหงื่อเพราะอะไรเพราะชาติแต่ละชาติเหงื่อมันมากเหลือเกินเนี่ยนะเหงื่อมันมากเต็มทีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเหงื่อบางอันนะมันน้ํนเนเาเลือดน้ํานมและน้ำตาสามอย่างเนี่ยนะใครจะไปเที่ยวทะเลนะจ๊าเนี้กลับบ้านเห็นน้ํำทะเลเมื่อ ไ, ร ไ, ไหร่ก็น้ําเลือดน้ํานมและน้ําตาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะเบื่อนหน่ายเพรา ะ, ะพระพุทธเจ้าเห็นว่าสําหรับแล้วก็ น้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาที่เสียไปเนี่ยนะสำหรับคนที่ไม่เห็นอริยสัจนั้นก็มันก็ประวัติศาสตร์จะซ้ํารอยอีกมันมันจะต้องเสียมาเท่านี้อีกนะก็เดินไปอะไรไปไหนบอกไปร้องให้เก็บน้ําตาไว้ให้มันเท่าน้ําทะเลน่ะนะไปไหนก็ไปดื่มน้ํำนมให้มันเท่ากับน้ําทะเลไปไหนก็ไปบริจาคเลือดที่ไม่ได้บุญเนี่ยนะเท่ากับน้ําทะเลเนี่ยนะพันก็เสียเลือดโดยที่ไม่ได้บุญเท่ากับน้ําทะเลพรันก็เป็นอย่างนี้แหละ มันก็สังสารวัตมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าพระพุทธเจ้ารู้แบบนี้แล้วพระองค์อยากจะให้สาวกทนทุกข์อยู่ต่อไปไหมพระองค์ผู้หวังดีผู้ปรารถนาดีก็ต้องการให้สัตว์ทั้งหลายนั้นออกจากทุกข์ให้ปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงชี้ชวนเพื่อให้ปฏิบัติแทงตลอดอัปปวัตะคือพระนิพพานให้แทงตลอดนิโรสสัจะมัสสัจจะทําให้แจ้งพระนิพพานเพื่อจะได้พ้นจากชาติชารา พยาธิและมรณะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุผลที่พระพุทธเจ้าชี้ชวนนะส่วนที่โปรอ ง, งห้ามฆ่า ต, ตัวตายนั้นประกาศถึงพี่เตุที่โปร ง, งห้ามก็เพราะด้วยใจที่กรุณาที่แสดงทำให้พ้นจากวัตฏะก็ด้วยกรุณาทุกอย่างมีเหตุผลหมด มีเหตุผลที่ห้ามมีวินัยบัญญัติห้ามพระพิสุขฆ่าตัวตายก็มีเหตุผลแสดงธรรมเพื่อให้พ้นชาติชราพยาธิมรณะก็มีเหตุผลดังที่อธิบายมานี้พระเจ้ามิลินก็บอกว่าดีสาธุดีจริงพระคุณเจา้านาเกษตรท่านคลี่คลายปัญหาได้ดีแล้วท่านกล่าวถึงเหตุผลได้ดีแล้วครับพระเจ้าขอยอมรับคําตามที่ท่านกล่าวมาด้วยประการช่นี้กนะ็ยอมรับว่าเออตุกแต่แบบนั้นเหรนี พอยิ้มหมนทั้งไหนก็ลืมว่าเคยมีทุกข์ใช่ไหมเห็ไหพอยิ้มเป็นก็นึกว่าลืมเลยว่าเป็นเจ้าน้าําตากันที่ไหนได้มันก็นี่แหละสังสารวัตรเดี๋ยวก็มีหัวเราะร้ะรองให้หัวเราะทีก็โสมนัสเวทนาร้องให้ทีก็โทมนัสเวทนาก็ต้องเจริญเวทนานุ ป, ปัสสนาว่าโทมนัสเป็นที่ตั้งแห่งน้ําตาเพราะเราสเสวยเวทนามาขนาดไหนน้าตาจึงเท่ากับน้ําทะเลเนี่ยนะ